พระธรรมเทศนาแผ่นที่47ลำดับที่11โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่5ธันวาคม2554มีชื่อเรื่องว่าพระคุณของบิดามารดาวันนี้ถือว่าเป็นวัน มงคลมหามงคลเป็นวันสำคัญยิ่งของชาติไทยเราคือวันที่ห้าเป็นวันพ่อแห่งชาติเป็นวันสมภพหรือเป็นวันพูดแบบทั่วไปก็คือวันเกิดของในหลวงของเราถือว่าเป็นวันสำคัญคนทั้งชาติก็ยกย่องว่าเป็นวันพ่อวันที่สิบสองสิงหาเป็นวันแม่ คืวันพระบรมราชินีวันนั้นพระศกในกรทั่วชาติไทยทุกชาวไทยทั้งมวลแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตวเวทิตาในสถาบันชาติชาสนาพระมหากษัตริย์อันนี้คือคือสถาบันพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์ปกครอง แผ่นดินไทยมันตั้งแต่ดึกดำบรรตามประวัติศาสตร์พวกเราก็ได้ศึกษาตามว่าพระเจ้าแผ่นดินไม่คุ้มครองไม่ปกป้องประเทศชาติชาติไทยของเราก็คงจะเป็นเหมือนกับชาติที่รอบบ้านของพวกเราอันนี้พระมหากษัตริย์ไทยของเรามีปีชาสามารถที่จะปกป้องประเทศเป็นเอกราช มาโดยที่ไม่ไดเป็นเมืองขึ้นของใครทั้งที่รอบด้านก็เป็นเมืองขึ้นเขาทั้งหมดแต่ไม่ต้องบรรยายว่าประเทศไหนบ้างที่รอบบ้านของเราแต่ยังเหลือแต่ประเทศไทยที่ไม่ได้ขึ้นเป็นเมืองขึ้นของเขาจริงไหมอันนี้เขาจถามดูเขาเพราะอะไร ก็เพราะว่าพระมาหากษัตริย์ไทยเป็นผู้มีปีชาสามารถที่จะหลบลีกเอาประเทศชาติของเราหลบเลีกออกจากพวกล่าอนาณาณิคมพวกที่เขาว่าเขาจเจริญแล้วเขามาล่าประเทศที่ด้อยพัฒนาในยุคสมัยนั้นก่อนที่ท่านจะออกหนีจากปากเหยียวปากกาได้ท่านใช้ความสามารถขนาดไหน ถ้าเราได้ศึกษาในประวัติศาสตร์ของรัชกาลที่ห้าแล้วก็ท่านก็คงน้ําตาล่วงหลายครั้งเหมือนกันที่จะปกป้องประเทศชาติจากนั้นก็ได้สืบทอดกันมาจนจนถึงรัชกาลปัจจุบันพระองค์ท่านก็ได้ช่วยเหลือประเทศชาติโครงการพระราชดําริเท่าไหร่พวกเราเนึกดูซินี่แหละคือพ่อแห่งชาติพวกเราอ ที่พ่อหาสมบัติมาให้เป็นกรอบเป็นกำรรตั้งเป็นหลักเป็นฐานแล้วลูกชายเกิดมาสุดท้ายภายหลังในตระกูลก็ว่าตัวเองเก่งไม่งอใครตัวเองเก่ง เ, เป็นผู้มีบุญหนักสักใหญ่และทั้งที่พ่อหามาแทบพรมแทบตายในครอบในครอบครัวสิ่งเหล่านี้พวกเราต้องคิดถ้าพวกเราไม่คิด แกว่าคนบุคคลที่เห็นแก่ตัวไ ม, ม่มองเห็นคนอื่นไม่มองเห็นคุณงามความดีของใครอื่นเลยไม่น่าจะถูกต้องนะถ้าว่าพระเจ้าแผ่นดินไม่รักษาประเทศชาติมาตั้งแต่คราวนั้นรัฐบาลนี้จะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนายกจะไปถกเถียงกันได้อย่างไรนะเพราะว่าประเทศชาติตกเป็นขี้ข้าของประเทศอื่นไปแล้วอันนี้ ที่ประเทศชาติที่เป็นผึกแผนขึ้นมาได้ก็เพราะว่าวงสกุลของเจ้าฟ้าเจ้าเป็นดินเป็นผู้ปกครองอันนี้ก็คือพวกเราควรจะสำนึกใน พ, ะในพระในพระมหากรุณาธิคุณที่ท่านได้ช่วยเหลือประเทศชาติอันนี้คือคือส่วนหนึ่งนนที่หลวงพ่อพูดก็คือหลักของพระพุทธศาสนาเนี่ยไม่ให้หลบหลูบุญคุณผู้มีอุปการะคุณ อันนี้ก็คือรักษาประเทศชาติทำให้ร่มเย็นเป็นสุขบางครั้งบางคราวประเทศชาติของเร า, เามีความไม่ปองรองและไม่มีความพร้อมเพียงสมัครคีกันพระองค์ก็ได้ออกมาห้ามปลามไม่รู้ ก, กี่ครั้งเหมือนกันแต่รับความสงบร่มเย็นเป็นสุขก็เป็นที่ยอมรับเหมือนกับพวกเราให้มีพ่อแม่มีลูกหลายๆคน ถ้าเขาบอกพ่อแม่ยังแข็งแรงมีจกักรักยภาพอยู่ถ้าลูกทะเลาะกันพ่อแม่เอ้ยหยุดนะลูกอย่าทะเลาะกันอายบ้านอายเมืองเขานะอใครผิดใครถูกรู้กแก่ใจลดลาวาสอกันบ้างกันพ่อออกมาปรามลูกทุกคนก็จะอยู่ใ น, ในความสงบนี้กูเหมือนกันถ้ามีพ่อมีแม่เนะดีแสนดีหลวงพ่อว่าเว้นเสียแต่ลูกบางคนก็นดันทรัง ไม่ยอมฟังคำแนะนําของพ่อของแม่อันนั้นก็มีอยู่ค ว, ว่าลูกนอกคอกลูกเหลือนลูกเหนือขอนะ่อาจจะมีอยู่แต่ถือยังไงถึงพ่อแม่ถึงจะมีปีชาสามารถท่านก็เท่าแก่ชราไปเหมือนกันในเมื่อท่านยังหนุ่มท่านก็วางหมาดหรือว่าใช้ติใช้ปัญญาของท่านดูแลปกครองประเทศชาติ ลูกหลานผสมนิกรของท่านแต่เมื่อท่านอายุมากแล้วจะให้เหมือนคราวที่ท่านอายุหนุ่มแน่นอันนี้ก็มันเป็นธรรมชาติเหมือนกับพ่อแม่ของเราสมัยก่อนพ่อแม่ของเรายังหนุ่มแน่นอยู่ท่านก็ดูแลปกครองลูกหลานอยู่ในโอวาททั้งหมดใครจะทำอะไรนอกรูนอกทางพ่อแม่ก็ต้องกะนาบหรือว่าห้ามปรามเพราะท่านมี กําลังสติปัญญาความสามารถของท่านยังมากอยู่แต่พ่อแม่แก่เท่าชราแล้วลูกหลานจะดูถูกเกียดยามปู่ย่าตายายของตนเองอันนั้นไปว่าลูกหลานเนระคุณไม่รู้จักบุญคุณของบุพการีบุคคลผู้มีอุปการะก่อนสิ่งเหล่านี้ก็อยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายได้สำเนียกส้ำนึกคิดในจิตใจคาว่าพ่อพ่อคนี้แนหะคือพ่อแผ่นดิน มาพ่อของเราท่นี่พวกเราเกิดมาจากไหนเกิดมาจากพ่อจากแม่พ่อแม่เป็นผู้มีอุปกราระคุณเหมือนพวกเราเคยเห็นเด็กที่เกิดมาใหม่ไหมแบเบาะตัวแดงๆมีตะร้องให้ไม่รู้อะไรท่าว่าพ่อแม่ไม่ดูแลไม่ช่วยเลี้ยงดูพ่อแม่โยนทิ้งซะเราก็ตายมาตั้งแต่เด็กๆแต่นี้พ่อแม่ท่านรัก เมตตาเหมือนกับพวกเราเห็นลูกของเราหรือว่าหลานของเราหรือว่าพวกเราเห็นเด็กๆพ่อแม่เขาเลี้ยงดูขนาดไหนตัวของเราก็ไม่แพ้กันเหมือนกันกับที่เด็กๆที่เกิดมาเพราะนั้นเมื่อเราเป็นใหญ่ขึ้นมาเราก็ควรจะสำนึกถึงพระคุณของพ่อของแม่พ่อแม่เป็นผู้มีอุปกรารคุณพ่อแม่เป็นบุพการีพ่อแม่เป็นบุาา พ, บ า, า, พบาจา์ พ่อแม่เป็นพระอรหันต์ของบุตรพ่อแม่เป็นพรหมพรห ม, มวิหารคือเมตตากรุณามุติตาต่อลูกๆสิ่งเหล่านี้พวกเราก็ต้องได้คิดเหมือนกันค่ะนี่ว่าวันพ่อวันพ่อเพราะนั้นหลวงพ่อจะบรรยายเรื่องพ่อแม่ให้แก่พวกเราททั้งหลายได้ได้ยินได้ฟังเพราะว่าโดยมากพวกเรามีแต่ธรรมาหาเลี้ยงชีพ ธมาค้าขา ย, ยาการเราเรียนหนังสือก็ไม่ได้มีไม่มีใครที่จะบรรยายแล้วว่าพูดให้ฟังว่าพักคุณคำว่าพักคุณคำนาาี้บุพการีบุคคลผู้มีอุปกรค์ที่ได้เลี้ยงดูเรามาคือใครเราก็ต้องยกถึงพ่อแม่ของเราที่ให้กําเนิดเราเกิดมาแล้วท่านก็เลี้ยงดูให้ความรู้แก่เราตั้งแต่เด็ก เรายังไม่รู้เรียงสาภาวะพ่อแม่ก็าพยายามป้อนข้าวป้อนน้าขี่เหยี่ยวยังไงพ่อแม่ต้องดูแลถึงจะไม่ดูแลด้วยตนเองก็มีคนช่วยดูแลอยู่ในสายตาของท่านจากนั้น พ, อ, พอที่จะร่วรู้เรียงสาภาวะที่จะสอนจะยัดเกียรติความรู้อะไรให้แก่ลูกๆท่านก็สอนให้อาบน้ําอย่างนี้นะลูกนะกินข้าวอย่างนี้นะนอนอย่างนี้นะอ น, นั่นไฟนะ อันนี้เดี๋ยวเดินจะตกหกล้มนะพ่อแม่จะต้องสอนทุกอย่างไอ้ลูกอันนี้ท่านบอกบุพเพเป็นบุพพาอาจารย์เป็นอาจารย์ที่คนแรกสอนบุตรธิดาให้รู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักสิ่งอันตรายหรือไม่ไม่อันตรายรู้จักเรียกพี่ป้าน้าอาคือพ่อแม่เป็นผู้สอนก่อนเพื่อนทั้งหมดพอพ่อแม่สอนในได้ในระดับหนึ่งจากนั้นก็ส่งเข้าไปโรงเรียน อนุบาลให้ครูโรงเรียนอนุบาลสอนอีกแต่ถึงยังไงพ่อแม่ก็ต้องให้ทุนการศึกษาก่อนที่จะเข้าโรงเรียนดีเท่าไหร่หมดไปเป็นชั้นแสนกว่าที่จะเข้าโรงเรียนดีได้ทุกวันนี่ยขนาดอยู่ในท่อลูกอยู่ในคันก็ยังไปติดต่อโรงเรียนไว้แล้วนี่แหละอันนี้ก็คือพ่อแม่นี่ยอยากจะให้ลูกตนเองเนี่ยเป็นคนดีมีคุณภาพมีความรู้มีความฉลาด จากนั้นก็นลูกของเราก็ใหญ่ขึ้นมาจนถึงเข้าปถมพ อ, อรู้เรียงสาภาวะต่อมากือมัธยมเดยวประยมกมันปริ ย, รยตรีโทเอกพ่อแม่จะพยายามสอนลูกหรือว่าส่งเสียลูกให้ดีที่สุดให้หมดให้เก่งกว่าใครๆทั้งหมดในความรู้สึกของพ่อแม่แต่ส่วนลูกนั้นจะมีความสามารถมากน้อยแค่ไหน อันนั้นเป็นหน้าที่ของลูกจะต้องมองตนเองจะต้องศึกษาถ้าว่าลูกคนตนเองถึงจะทรงยังไงกับ เ, เหมือนกับไก่ไม่สู้หรือว่าไม่ไม่ได้มองเจตนาของพ่อของแม่พเพ้อเพอยังดุดาว่ากล่าวให้พ่อแม่อีกมาพ่อแม่จุกๆุจูจจ้จี้ตนเองแต่ตามจริงพ่อแม่มีเจตเจตนาหวังดีอยากจะให้ตัวเองนะ่ยสูงส่งที่สุดดีที่สุดเก่งที่สุด ในชุมชนและสังคมสิ่งเหล่านี้พวกเราที่เป็นลูกก็ควรจะดูเจตนาของพ่อแม่ในการศึกษาเนี่ยว่าพ่อแม่เป็นบุาาย์เป็นอาจารย์คนแรกของบุตรธิตาจากนั้นก็ได้ส่งเสียให้พวกเราให้ได้สูงส่งขึ้นไปเรื่อยๆจากนั้นก็พ่อแม่เป็นพระอรหันต์ของบุตรคือที่ทางคุณธรรมทางคุณธรรมคือพ่อแม่เป็นพระอรหันต์ถ้าว่าใครก็ตาม ดูถูกเหยียดติยามพ่อแม่ของตนเองอันนั้นธนว่าเหมือนกับดูถูกพระอรหรันพระาราหันคือคือเป็นผู้มีพระคุณในหลักของพระพุทธาศาสนาธนวัตอนันตเรียกรรมหมาตุคาาฆ่ามารดาปิดตุคาาฆ่าบิดาอารหัน ต, ต์ตักค่าฆ่าพระหรันโลหิตตุบาททำร้ายพระพุทธเจ้าอย่างพระโลหิตให้ห้อสังกเภทยุยงสง์ให้แตกกัน บาปฆ่ายานีนบาปหนักที่สุดในหลักของพระพุทธศาสนาถ้าจะเปรียบเทียบแปว่าข่าพ่อฆ่าแม่เหมือนกับฆ่าพระรหันตนะ์เพราะฉนั้นพ่อแม่เนี่เปรียบเทียบกับพระรหันต์ของบุตรธีดานะถ้าว่าใครก็ตามถ้าทําไม่เคารพยำเกรงพ่อแม่คนนั้นแปลว่าเอร่อแหลมต่อนรกอย่างมากๆากค่เนะพราะฉะนั้นพวกลูกหลานทุกคนพวกเราทุกๆท่านที่มีพ่อมีแม่ยังมีชีวิตอยู่ก็ขอให้ดูดูพ่อแม่ ในเมื่อพ่อแม่ล่วงลับดับขันไปแล้วก็ไม่ได้นิ่งดูดายในหลักของพระพุทธศาสนาเมื่อพ่อแม่ล่วงลับไปแล้วทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านฮเพราะเหตุไรเพราะร่างกายของเราตั้งแต่หัวจนเท้าเนี่ยยังเป็นของพ่อของแม่อยู่ยังไม่ใจมันยังเป็นมรดกของพ่อแม่ทิ้งให้เราอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อเราได้รับมรดกนี้เราก็จะต้องช่วยดูแลพ่อแม่จะต้องทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านฮนี่แหละ อันนี้คือหลักของพระพุทธศาสนาหลักของ พ, พุทธศาสนาเป็นเรื่องละเอียดอ่อนดันั้นพระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนไว้ว่าพ่อแม่เป็นผู้มีเป็นผู้บุกพายจารย์เป็นผู้มีอุปก ร, ะระณเมื่อพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบทำกิจธุระของท่านดำรงวงศุลประพฤตตนให้สงควรควรรับทรัพย์มรดก เมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศสวนกุศลให้ท่านอันนี้คือหน้าที่ลูกนะที่หน้าที่ลกที่จะต้องปฏิบัติต่อพ่อแม่ในหลักของพุทธศาสนาพราะพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้หมดไม่ใช่ชั้นต่สอนแต่ธรรมะจำรักกิเลสอย่างเดียวไม่ใช่ถ้าผู้ที่อยู่ทางโลกท่านก็สอนแบบให้รู้จักตัวเองการวางตัวสาหรับเรานี่แหละขอฝากไว้กับ คณะสัตา ย, ยาญาติโยมลูกหลานทุกคนที่เกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราเป็นคนดีมีคุณภาพมีคุณธรรมมีศีลธรรมมจริยธรร ม, มรรสิ่งไหนที่ไม่จะทําให้ตนเองเดือดร้อนเดือดร้อนอย่าทำถ้าทำให้คนอื่นเดือดร้อนอย่าทํำอย่าเบียดเบียนตนและผู้อื่นหลักธรรมคาสอน อย่างสินห้าของพระพุทธเจ้าเป็นสินห้าเนี่ยสำหรับใครสําหรับฆราวาสญาติโยมผู้หญิงผู้ชายพ ว, พวกญาติโยมนี่คือศินห้าสินสมานเณรสินสิบสินพระสินสร้อยี่สิบเจ็ศสินนี้ก็คืออะไรคือกฎระเบียบการอยู่ด้วยกันการอยู่ร่วมกันการเป็นหมู่เป็นคณะอย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันอย่าคิดฆ่ากันคือสินข้อที่หนึ่งสำหรับฆราวาสถ้าคิดฆ่าเขาเขาคิดฆ่าเรา เราจะหาความสุขสงบสุขได้อย่างไรถ้าเมื่อเขาเราไปฆ่าเขาก็ใช่ก็ไม่เป็นไรเพราะเราไปฆ่าเขาแต่เมื่อเขามาฆ่าเรานะ่ะฆ่าพ่อฆ่าแม่พี่น้องลูกหลานของเราเรามีความรู้สึกอย่างไร เ, เราทุกข์มากทุกข์ใจมากในเมื่อเขามาฆ่าตระกูลของเราในเมื่อเราไปฆ่าเขาก็เช่นเดียวกันเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องยับยั้งในจิตในใจอย่าไปทาให้แก่เขาถ้าทาให้แก่เขาเขาก็เดือดร้อนถ้ามาทให้แก่เราก็เช่นเดียวกัน อาทิตนาทานก็เหมือนกันอย่ากขโมยของคนอื่นเขาถ้าเขามาขโมยของเราเ่ยก็เช่นเดียวกันเราก็ทุกข์ใจข้อที่สามกาเมซุมิชชาจานสามีภรรยาลกูกหลานของเขาเขาก็รักถ้าเราไปหลวงแล้วลเมิดไปหลวงล่ำเขาไม่เคารพสิทธิ์เขาล่วงเกินที่ประไตของเขาเนี่ยเขาก็เดือดร้อนถ้าเขามาหาเราก็เช่นเดียวกันนี่แหละสินข้อที่สามสินข้อที่สี่อย่าไปโกหกต้มตุนหลอกลวงอย่าไปพูดปดเออ ถ้าเขาโกหกเราเราโกหกเขาเขามากโกหกเราเราก็รู้สึกมีความรู้สึกเสียใจยถ้าเราไปโกหกเขาก็เช่นเดียวกันเขาก็เสียใจยเพราะนั้นให้ครพรสิตหรือว่าจะไปโกหกกันข้อที่ห้าสุราเมย่จะไปดื่มสุราและเมลยัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคนที่ดื่มสุราเข้าไปแล้วขาดสติขาดสติและทําความชั่วในทุกอย่างอันนี้คือศินข้อที่หอันตราย เมื่อขาดสติแล้วทําความชั่วฆ่าพ่อฆ่าแม่อขโมยใครก็ได้ร ะ, ะ, ะลับระลวงสามีภรรยาโกหกใครก็ได้ทั้งหมดเพราะอะไรเพราคนขาดสติอันนี้คือสินจากนั้นก็นเรื่องธรรมธรรมก็คือสมาธิในหลักของพุทธศาสนาสอนเรื่องสมาธิธรรมพวกเราพวกเราได้ยินว่าสมาธิเท่านั้นแ่ะเราก็เอือมละอาเลยอ้นสมาธิเป็นของของพระไม่ใช่นะเป็นของญาติโยมนะ สมาธิคือทําจิตใจให้สงบถือใจให้นิ่งสิใจไม่ให้ปุงฟุง้งซ่านถ้าเราคนเราเดี๋ยคิดดูสิถ้าไม่มีการยับยั้งทางด้านจิตใจแต่ละวี่แต่ละวันคิดปุงอยู่ตลอดเรืเวลาเพ้อเพอเป็นบ้าได้ไง่ายๆเราชอบใจไหมที่เราจะเป็นบ้าใครๆก็คงจะไม่ชอบในเมื่อเราไม่ชอบใจแต่ทำยังไงจึงจะมีสติอยู่กับตัวเองพระพุทธเจ้าสอนเลยท่านให้มีสติสัมปชัญญะ สติคือความระลึกได้สัมปะชัญญะคือความรู้ตัวเมื่อเรามีสติสัมปะชัญญะอยู่ในตัวแล้วเราจะมีสติสิ่งควรไม่ควรสิ่งไหนควรเราคิดแหละสติอยู่กับตัวเองใจอยู่กับตัวเองเลอันไหนควรทําอันไหนควรพูดอก็รู้ได้เลยเพราะเรามีสติสัมปะชัญญะหยุดกับตัวเองถ้าคนไม่มีสติอยู่กับตัวเองนะจะทําอะไรก็ทําจะพูดอะไรก็พูด พลไปหมดขทําทให้คนอื่นเดือดร้อนไปหมดเลยเพราะอะไรเพราะคนขาดสติเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะสมาธิเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญการฝึกสมาธินี่คืออะไรในหลักของพระพุทธศาสนาท่านว่าให้กําหนดลมหายใจเข้าหรือว่ามีสติสัมปชัญญะในการเป็นอยู่ในขณะนี้เราเดี๋ยวนี้อย่างนลงพ่อกําลังพูดอยู่นี้นก็มีสติสัมปชัญญะเราจะพูดเรื่องอะไรมีสติอยู่กับตัวเอง อันนี้เราสติสัมปชัญญะให้มีความรู้สึกอยู่อย่าไปคิดปงฟุ้งออกไปข้างนอกเนี่ยอันนี้คือสมาธิและนี่แหละเรื่องศีลสมาธิปัญญาปัญญา ค, คือความคิดในใจในคิดในใจเราคิดยังไงบอกว่าชีวิตของเราเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนนะอีกสักวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยแหละไม่รู้ว่าวันไหนละ่ะเราจะต้องถึงจุดจบถึงเราจะเลี้ยงร่างกายของเรา อีมีพีมันขนาดไหนไม่มีวันที่จะหนุ่มสาวไปขึ้นไปข้างหน้ามีแต่เท่าแก่ชราไปเรื่อยๆผลที่สุดก็ถึงจุดจบเราเคยเห็นไหมพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราไปไหนหมดเราจะไม่ไปอย่างนั้นใช่ไหมสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องคิดเหมือนกันแล้ว เ, เราคิดแล้วเราได้อะไรมีแต่หดหูอย่างนั้นใช่ไหมไม่ใช่ถ้าเมื่อเราคิดล่วงหน้าอย่างนั้นแล้วเราก็ต้องหาวิธีการแก้ไข หลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าอะตายแล้วไม่สูญนะเราควรจะสั่งสมคุณงามความดีไว้นะอันไหนเป็นคุณงามควาดีเราควรจะสัสั่งสมสิ่งนั้นแต่ทุกคนต้องถึงจุดจบอแต่ว่าใจ ใ, ใจที่ตัวผู้รู้น่ะตัวนั้นไม่ตายไม่มีป่าชา้าแต่ร่างกายเนี่ตายมีป่าชา้าฟอเผาไฟทิ้งด้วยการทุกคนแต่นามธรรมคือจิตใจนะั้นตัวนั้นไม่ตายแต่ทั้งจะต้องไปปเกิดอีก เจะนำไปเนตัวเองไปเกิดอีกไปเกิดเป็นอะไรก็ได้เมันไม่ใช่มาตรฐานนะไม่ใช่ว่าจะเกิดเป็นคนเป็นคนอยู่จางเงาไม่ใช่นะถ้าเราทำคำชั่วคำชั่วจะพาตัวเองไปตกต่ำอาจจะเป็นเกิดเป็นช้างมา้าวัวควายก็ได้เป็นสัตว์ที่ระชานก็ได้แต่ถ้าทาตัวเองทำดีคิดดีพูดดีทำดีคนนั้นจะไปสู่สวรรค์ไปมาอย่างน้อยก็มาเกิดเป็นมนุษย์สมบูรณ์ มนุษย์สมบูรณ์คืออะไรคือไม่เป็นบ้าใบ้เสียจิตไม่หูหนวกตาบอดเป็นมนุษย์แต่ไม่สมบูรณ์คือหัูหนวกหูหนวกตาบอดบ้าใบ้เสียจิตนี่แหละคือมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์คือกรรมพามาเกิดนี่แหละกรรมดวงนั้นะกรรมดีและกรรมชั่ว บ, บุญและบาปมันเป็นมั่นอยู่ในใจใจเป็นตู้เซฟ ใ, ใจใจนั้นปเป็นตู้เซฟกับเก็บบุญและบาปอยู่ในใจดวงเดียว ไม่ใช่อยู่ที่อื่นนะบาปและบุญอยู่ในใจเหมือนกับมะพร้าวเนะ่ยมะพร้าวสองหนอถ้าเราส่งเสริมหนอได้หนอหนึ่งหนอบุญหนอบุญก็งอกเงยเจริญขึ้นแต่ถ้าว่าเราส่งเสริมเสริมเรื่องบาปมีแต่คิดเรื่องบาปบาปก็พาไปอีกหนอออกหนอยาวอีกบุญก็สั้นลงเพราะมันอยู่ในที่เดียวกันบาปกับบุญ เพราะนั้นหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าอย่าไปทำเน้อสิ่งที่มันไม่ดีถ้าทำสิ่งบาประบาปอากุศลจะพานำไปสู่ทกขติก็คือไปทางชั่วทางต่ำไปตกนรกเป็นสัตว์ที่รฉานเป็นเปรตอันนี้ก็คือบาปพาไปส่วนบุญพาไปจะมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นผู้มีสมบูรณ์ด้วยการเป็นอยู่สติปัญญาสัพสมบัต แล้วจากนั้นก็ขึ้นเหนือกว่านั้นขึ้นเป็นเทวบุตรเทวดาอินพรมค่ะสูงส่งขึ้นจนเป็นพระอริยะบุคคลโสดาสกทาคารนาคาอรหันต์อันนี้แหคือถ้าเราสังส颂หลักของพุทธศาสนาท่านให้ความสําคัญเรื่องของใจมากนามธรรมาตัวนี้แต่เรื่องของกายไม่เท่าไหร่ท่านไม่ให้ความสําคัญเท่าไหร่ถึงจะเลี้ยงขนาดไห น, นก็แก่เจ็บตายในที่สุดร่างกายแต่ส่วนจิตใจนั้นเจริญรุ่งเรืองได้ ประเด็นหลักของพุทธศาสนาขอให้พวกเราท่านทั้งหลายอย่าโยมทั้งหลายนะศึกษาเรื่องธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาเนี่ยวันนี้หลวงพ่อได้ยกประเด็นเบื้องต้นว่าวันนี้เป็นวันสาคัญชะไหนเป็นวันพ่อแห่งชาติเป็นวันเฉลิมพระเกียรติเป็นวันเกิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นผู้มีคุณูปการต่อประเทศชาติขนาดไหนเนี่ย วงจักปีรักษาประเทศชาติมาอย่างไรจนประเทศชาติไทยของเราไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศอื่นในละแวกนี้พวกเราได้เป็นเมืองขึ้นเขาทั้งหมดแต่ประเทศไทยยังลอดปากเกี่ยวปากกามาได้แสดงว่าพระมหากษัตริย์ไทยเป็นผู้มีปรีชาสามารถปกคล้องปกคล้องปกป้องประเทศจากนั้นนะท่านก็ลบปกป้อง ประเทศชาติไทยของเราโครงการพระราชดาริเท่าไหรท่านพัฒนาประเทศของท่านจนมาถึงพวกเราท่านทั้งหลายจากนั้นเขาพ่อแม่ของเรามีคุณูปการอย่างไรผู้มีเป็นผู้มีอุปกราระคุณเป็นบุพการีที่เลี้ยงดูเรามาส่งเสริมเราจนเป็นใหญ่ถึงขนาดนี้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้พวกเราก็จะต้องแสดงความกตัญญูตะเวทิตา ต่อท่านผู้มีอุปกรณคุณทั้งหลายจากนั้นพวกเราอย่าตั้งอยู่ในความประมาทถึงยังไงยังไงให้มีศีลมีธรรมมีคุณธรรมศีลธรรมศีลธรรมของพระพุทธเจ้าเรื่องศีลเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาถ้าเราไม่ถ้าเราไปทำให้แก่เขาเขาก็เดือดร้อนถ้าเขามาทำแกให้แกเราอย่างที่เราไปทาให้แกเขานะ่ะเป็นยังไง เราก็เดือดร้อนเช่นเดียวกันเพราะนั้นให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันละกันอันนี้ก็คือสินนะส่วนสมาธิแนวความคิดพยายามทำจิตใจให้อยู่ในความสงบมีสติสัมปชัญญะคนมีสติอยู่กับตัวเองอยู่ตลอดคนนั้นจะไม่เป็นบ้าพูดง่ายๆจะไม่ฟุ้งเฟ้อจะไม่ออกนอกรูกนอกทางอันนี้ก็คือสติสัมปชัญญะส่วนปัญญาให้รอบรู้ ในเรื่องสังขารว่าชันชีวิตของเราเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนพ ว, พวกเราควรจะหาที่พึ่งทางด้านจิตใจควรจะเสาะหาสะแสวงหาบุญกุศลเข้าสู่จิตใจใจของเราเนี่ยเป็นตู้เซฟเก็บบุญและเก็บบาปไว้ที่นั่นถ้าเราเก็บบาปไว้ในใจบาปจะพาไปตกนรกไปในทางต่ำถ้าเราเก็บบุญไว้ในใจบุญจะพาพวกเราไปสู่สุขติออ เป็นที่พึงปรารถนาของพวกเราท่านทั้งหลายอันนี้คือหลักของพระพุทธศาสนาเพราะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายศึกษานะท่าศึกษาฟังต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังและก็ลงมือประพฤติปฏิบัติด้วยพวกเราจะประสบแต่ความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนะต่อเ น, นี้ไปรับพรพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พร